หนึ่งกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาลหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาลอนุโลมเหตุปัจจัย 53. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้น 3. ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริศอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานในรูป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 ที่เป็นอกุศสเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุทุกปัจจัยติแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอภิยากตวิบากและที่เป็นอัพยา กตากิร well, ิยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบารเกิดขึ้นขันหนึ่งและกตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้น ขันสองและกตะตาตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหัตถายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหัตถายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตตา รูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไดแก่จิตตะมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล และที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุุกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นอารามณปัจจัย54สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เ, เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ Title ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัยได้แก่ขั้นสามอาศัยขั น, 1, นหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัย แต่แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นอธิปฏิปัจจัย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 อกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้ น, 3, น, 2, ส, น 2, สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากาตวิบากและอัพยากาตากิยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นมหาภูตรูป 3.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 ได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวรธร ร, ร, ร, วรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตจมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยและสมนันตราาาัปปัจจัยห้ สภาวธรรมที so? ่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตระปัจจัยได้แก่ขั้นสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในวงเล็บอนันตระปัจจัยและสมาันตระปัจจัยเหมือนกับอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัย57สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัย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 ขันหนึ <imir> ่งที่เป็นอกุศสนเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศสเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจใจได้แก่จิตตาจมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตจมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตจุมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตจมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ขันสาม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 ขันหนึ่งและกาตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกาตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหะไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดข umm> ึ Lean, ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสาเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตารูปสองเกิดขึ้น จิตตะมุทฐานารูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่ง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 สภาวธรรมที่เป็นอพยากริตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยกริตเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอพยกริตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยากริตเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอัญญมัญญปัจจัยห้าสบแสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ <Yes uh ์ส huh. าอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคติผลเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันสมาอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศผลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตวิบากและที่เป็นอัพยกตกิริยาเกิดขึ้น ขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและหะไทยวัตถุอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากตวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและหะไทยวัตถุอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและหะไทยวัตถุอาศัยขันสองเกิดขึ้นหะไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาม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 มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นนิตยปัจจัย59สภาวาธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนิตยปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลในวงเร็บนิตยปัจจัยเหมือนกับสหชาตปัจจัยอุปนิตยปัจจัย60สสภาวาธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ อุปนิสัยปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลในมเล็บอุปนิสัยปัจจัยเหมือนกับอารามณปัจจัยปุเรชาตปัจจัยหกสอสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้น ขันอาศัยหทยัยวัตถุกเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสมาอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอั l, อยนอ l, นพ l, า 3, อยายกฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยกตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดข yes ึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย62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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตกริยาเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์สามเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นกรรมปัจจัย 63. สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระอาศัยสภ า, าวธรรมที่เป็นอกุศลมีาสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาละในปฏิสนธิละมหาภูตารูปสามอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งเกิดขึ้นละจิตตะมุฏฐานในรูป และกัตตารูปที thi, ่เป like ็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูต <Mond> ร <o> ูปเกิดขึ้นสำหรับเราอสศญญยัสตพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะวิปปากัปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่ง 1, ที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่ง 1, และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้ น, นขันสอง 3, และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบาเกิดขึ้น ขันหนึและกระตาตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกตัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหัไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหัไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นมหาภูตรูป1อาศัยมหาภูตรูป3เกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น จิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทานรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาหารปัจจัย65สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยแต่แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัย ได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาละในปฏิสนธิขณะละมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละ จิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปท uh huh. yes. mm. huh. ี่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤตและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัย ได้แก่จิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นอินทรียปัจจัย66สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอินทรียปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตรละสำหรับเราอาศญยสัต์พรม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละในวเล็บอินทรียปัจจัยเหมือนกับกรรมปัจจัยชานะปัจจัยและมรรคปัจจัย67สภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะชานะปัจจัยเพราะมรรคปัจจัยในวงเล็บชานะปัจจัยและมรรคปัจจัยเหมือนกับเหตุปัจจัยสัมปยุตตาปัจจัย68สภาวธรรมที่เป็นกุศลนาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะสัมปยุตปัจจัย ได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลสัมปยุตตปัจจัยเหมือนกับอารามานปัจจัยวิปยุตตาปัจจัย69สภาวธรรมที่เป็นกุศลอศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอสใจขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปปยุตตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์เกิดขึ้นเพราะวิปปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้น ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิบประยุตตะปัจจัยจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิบประยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะวิบประยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ขันหนึอสสาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอสสาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอสสาศัยหไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจยัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตอสสาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะว scheint, ิปยุตตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิะวย wicked, ปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต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 ขันอาศัยหทยัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตะมุฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามและกัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยา ก, ก, กตวิบาเกิดขึ้นขันหนึ่งและกตัตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทยัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัย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 มหาภูตร e. ูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตะมุฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตะมุฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากริตเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัย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 จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยอิทธิปัจจเจ70สิสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอาธิปัจจัยได้แก่ขันธ์สาอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในอุเลบย่ออธิปัจจัยเหมือนกับสหาชาตปัจัจนัิปัจัยและวิขตปัจจัย71 สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคัตตปัจจัยในวุงเล็บนัตถิปัจจัยและวิขัตตปัจจัยเหมือนกับอารามานปัจจัยอวิขัตตปัจจัย72สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะอวิขัตตปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้น ในมงเล็บอวิกตะปัจจัยเหมือนกับสหาชาตะปัจจัยผู้สาธยายพึงขยายปัจจัย23บสาเหล่านี้ให้พิสดารหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวานคณะนะเหตุมูลกันันเจสเหตุตปัจจัยมีก้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระ อนันตรปัจจัยมีสามวาระสมาันตรปัจจัยมีสามวาระสาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิทยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกามปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระ อินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนาฏปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยมีสาวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระทุกกนัยเจอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๙วาระอานันตรัปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๓วาระสมนันตรัปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๓วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๙วาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๓วาระนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๙วาระอุปนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี๓วาระ ปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีสามวาระกรรมมปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระมัคคปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระ สัมปยุตตาปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยกับเภทุปัจจัยมี9้าวาระนาฏิปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสมวาระวิคตาปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยกับเภทุปัจจัยมีเก้าวาระติกนัย75 อธิปติปัจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระสหชาตปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับเพรุปัจจัย และอารามณปัจจัยมีสามวาระอุปนิเยปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระกามะปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจ จ, ยจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระอินทรีย์ปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสาวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับเพรทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระอัตติปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระนัตติปัจจัยกับเพรทุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระวิคตาปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระอวิคตาปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสวาระละทวัทสกนัย76 กรรมปัจจัยกับเหตุป um ัจจัยอารมณปัจจ <un> well ัยอธิปติป <ederim. S 1> ัจจ <ham ihrem> ัยอานันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัยมีสาวาระอาหารปัจจัยกับละมีสาวาระอินตรียปัจจัยกับ ละมีสามวาระชานปัจจัยกับละมีสามวาระมัคคัปปะจัยกับละมีสามวาระสามปยุติจตปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุติจตปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระวิอวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระ พาวีสกนัย77อวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและอาเสวนปัจจัยกรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยชานปัจใจมรรคปัจจัยสามประยุติปัจจัยวิปรยุติปัจจัยอธิปัจจัยนัติปัจจัยและวิคตปัจจัยมีสามวาระละเตระสกนัย78 อาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระมัคคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสัมบัติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปุตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละภาวีสกนัย 79. อวิคตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยละปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรีละปัจจัย ชาณะปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยนัตติปัจจัยและวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระการนับวาระมีเหตุปัจจัยเป็นมูลจบ